ในเรื่องเล่านิทานแบบดัดแปลงหน่อยก็คือปลากับเตา่าจริงไ อ, ไอ้นิทานเรื่องนี้หลวงพ่อเคยอ่านแต่ว่ามันจําเรื่องเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้ไงก็เขาว่าแล้วมาดัดแปลงเอาเพื่อชิมเต่าเนี่ยก็จะมีความรอบรู้ทั้งในในน้ําแล้วก็บนรโลงปลาก็รู้จักในน้ําอย่างเดียวพอพูดบนบกมันไม่รู้เรื่องเลยธรรมะเนาะผู้ที่ได้เรียนศึกษาธรรมะจนแบบเออรู้เห็นอะไรมันแจ่มแจ้งแต่คนที่ ยังไม่ยังไม่พบไม่เห็นก็คือยังไม่เข้าใจบางทีก็ได้แค่ยกตัวอย่างอุปมาอุปมไมยอันนี้ตามตามที่เห็นเนาะที่ว่าธรรมะยิ่งเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากอันนี้ก็คือไม่ได้คือไม่ใช่ประเด็นที่เราพูดวันนี้แต่จริงๆมันเข้าด้วยแหละบางทีคนหนึ่งรู้อีกคนหนึ่งไม่รู้มันก็คล้ายๆว่าเออมันเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเนาะแต่ว่าถ้าจะให้เข้าเรื่องจริงอ่ะมันก็คือนู่นฝึกรู้สึกตัวขั้นละเอียดละเอียดหรือไม่ละเอียดคุยไปคุยไ ป, ดไปเดี๋ยวมันอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็เดี๋ยวก็รู้แหละ ก็ปกติหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อแสดงธรรมที่วัดนะหลวงพ่อต้องเทศก่อนเพราะว่าไม่ได้เตรียมเรื่องไงพอเทศเสร็จแล้วก็ดูว่าเออเรื่องที่เทศเนี่ยควรจะตั้งชื่อเรื่องอะไรอรไืไม่ไม่ไม่เคยตั้งตั้งชื่อเรื่องไว้ก่อนเทศเพราะว่าถ้าไปกําหนดหัวข้อก่อนเนี่ยรู้สึกมันเทศแล้วมันมันไม่ค่อ ย, อยลื่นอ่ะเนาะเทศไปก่อนนึกได้อะไรไปเห็นอะไรไปก็พูดไปเรื่อยเออแล้วก็ตั้งชื่อเอาทีทีนี้ไอธรรมะขั้นละเอียดเนี่ยจริงจงเนี่ยนะถ้าถ้าเราติดตามแบบฟัง ฟังมาต่อเนื่องไม่ขาดตอนเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่ามันมันทุกเรื่องที่มีการพูดกันเนี่ยมันจะต่อเนื่องเขาเรียกว่ามันจะโยงมาจากเรื่องเก่ามาสู่เรื่องใหม่มาสู่เรื่องใหม่อย่างเช่นเรื่องก่อนเนี่ยเราตั้งชื่อว่ามีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดดับเนาะเออมีแต่สังขารที่เกิดดับตรงนั้นก็หมายความว่าจุดประสงค์หลวงพ่อก็คือให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักคำว่าสังขาร เวลาคนเขาพูดธรรมะเนี่ยเขาใช้คำนี้เยอะมากเลยเรื่องสังขารใช่ค่ะมีเที่ยงสังขารเป็นทุกข์อ่ะนะแต่ทีนี้ถ้าคนเข้าใจแล้วก็ก็โอเคจาก ง, ง่ายแต่ว่าถ้าคนบางคนเขาไม่รู้เลยว่าสังขารคืออะไรก็ก็เหมือนกับต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจเรื่องสังขารไปอีกนานอ่ะบางทีอืมนะแต่ยังไงก็ตามเนาะเรื่องสังขารเนี่ยเอาละในเมื่อรู้จักแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยที่ปรากฏขึ้นสิ่งนั้นเขาเรียกว่าสังขารนะแล้ว กฎหรือว่าความเป็นธรรมชาติของสังขารคือเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องดับไปจะต้องหมดไปทีนี้ไอ้ไอ้กองที่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาให้เกิดการรู้แจ้งในเรื่องสังขารเนี่ยหลวงพ่อก็ได้แสดงไปแล้วว่าจะต้องมีความเพียรเนาะต้องมีสติที่จะเห็นก็ เ, เรียกว่ามีสติที่จะระลึกรู้หรือมีสติที่จะ ตื่นรู้ขึ้นมาว่าสังขารอันไหนที่กําลังปรากฏในในปัจจุบันนะสังขารที่เป็นสังขารของในส่วนของเป็นร่างกายอะไรปรากฏขึ้นเช่นการเคลื่อนไหวเช่นราบางทีเราใช้คำว่ากายเคลื่อนไหวกายก็คือสังขาร น, นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกรู้ว่าอ่าตอนนี้มันมีการเคลื่อนไหวอยู่จะเดินจะนั่งจะนอนตรงเนี้มันก็จะเคลื่อนไหวแล้วก็ต้กิดว่ากำลังเห็นสังขารอยู่เฉพาะหน้า เพราะว่ากําลังปรากฏอยู่หรือว่าสังขารทางความรู้สึกทางกายความรู้สึกความไม่สบายกายอย่างเนี้เนาะความสบายกายความไม่สบายกายอันนี้ก็เป็นสังขารทีนี้ถ้ามีสติมันก็จะระลึกได้ว่าตอนเนี้ยเออร่างกายมันมันเป็นยังไงล่ะมันร้อนวุบวาบหรือว่ามันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งก็ฝึกสังเกตไปแล้วก็ส่วนทางจิตใจจิตใจมันก็เป็นสังขารความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่างๆเนาะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเวลาคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยตรงนี้ชัดเจนมากเลยโอ้โหสังขารกําลังปรุงแต่งหน้าดําขครียดไปหมดเลยแต่คนที่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้เห็นหลอกตรงเนี้ยก็ไม่ได้เห็นมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันเลยว่าทั้งๆที่สังขารปรากฏแบบขนาดเผาไหม้จิตใจก็ยังไม่รู้ตัวว่ามันกําลังเผาไหม้เพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มาปิดบงังมาทับเอาไว้จนมองไม่เห็นของที่อยู่ใกล้มองไม่เห็นของที่มันอยู่ติดกับ กับใจเลยอ่ะอมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้จึงต้องมาฝึกรู้นะฝึกรู้ฝึกฝึกดูว่าหอมันกําลังปรากฏอยู่ทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกสมมุติเราอ่านหนังสือเราฟังตําเราอ่านหนังสือหรือว่าเราพูดคุยเนี่ยเข้าห้องครับเฮาเนาะมาคุยแต่เรื่องพวกเนี้ยคุยแต่ไม่เคยไม่เคยมีสติในการระลึกรู้ต่อสิ่งนี้เลยมันไม่ทําให้เกิดปัญญาเลยได้แต่ความรู้ที่เกิดจากการ การฟังการจำการคิดความรู้อันนั้นเนี่ยจริงๆอะมันก็เป็นความสามารถของใครก็ได้ถ้าบัวดีสมองดีเนี่ยจำเก่งเนาะคิดเก่งแต่การรู้เนี่ยการรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมันโมันคนละเรื่องเลยนะการรู้ด้วยสติคือสัมผัสรู้โดยตรงนะในขณะปัจจุบันที่กำลังปรากฏเมื่อรู้ก็เรียกว่ามีการเห็นมีการรู้มันก็จะเกิดการ เขารกว่ารู้แจ้งเห็นแจ้งต่อสังขารนั้นนั้นแล้วก็แจ้งถึงขนาดว่าสังขารนั้นนั้นแหละมันมีความไม่เที่ยงจริงๆมันมีการเกิดเองมีการดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเพราะมันจะเมื่อศึกษามากๆเนี่ยมันก็เรียกว่ามันสะสมเนาะสังเกตแล้วมันก็เหมือนกับว่าเห็นซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งว่ามันมันเกิดปัญญาที่จะพอสรุปได้เลยว่าโอเห็นมากี่ทีกี่ทีมันก็มีการเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอง แล้วก็บางครั้งบางคราวเคยใช้กําลังเนาะสู้กับมันเพื่อที่จะให้ชนะเนาะเช่นฉันอยากจะให้ชนะความโกรธกดเอาไว้กดเอาไว้ไม่ให้โกรธสุดท้ายก็ชนะมันไม่ได้มันคือมันไม่ฟังเสียงเราจะกดข่มเท่าไหร่มันก็เอาไม่อยู่ตรงนี้แหละมันก็ทําให้เกิดปัญญาว่าเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้ถึงคราวเกิดมันเกิดถึงคราวเกิดแล้วก็บังคับให้มันหายก็ไม่ได้ พอมีประสบการณ์มากๆมันก็จะสรุปเป็นปัญญาเลยว่าโอมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองทีนี้เมื่อศึกษามา ก, มากๆไอ้ความเป็นเช่นนี้เองเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องสังขารว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้ความเข้าใจนี้แหละโยมเขาเรียกว่าเป็นปัญญาพอเป็นปัญญาแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจหมดแล้วนี่รู้รอบในกองสังขารว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วในสังขารก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนอะไร ก็เลยจะรู้เลยว่าเราไม่ได้เกิดมาเราไม่ได้เกิดมาเพราะที่เกิดมามันก็คือแค่สังขารเกิดขึ้นปรากฏขึ้นตามเหตุตามปัจจัยฟังอย่างเดียวมันก็เออง่ายง่ายมันก็เออง่ายไปก่อนปัจจุบันมันง่ายแต่ว่าเมื่อเจอของจริงตรงนั้นแหละถือว่าเจออาจารย์ใหญ่นะอืมของจริงเช่นประสบกับความป่วยเนาะป่วยไขย้ขนาดถึงแบบอาการหนักอะนั่นแหละตรงนั้นแหละใคยพบอย่างนี้เขาเรียกว่าพบอาจารย์ใหญ่ เพราะมันเป็นของจริงที่แสดงด้วยการปรากฏขึ้นซึ่งจะมีความรู้สึกอ่ะคือมันจะมีความรู้สึกได้เช่นเวลาป่วยเนาะมันจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบมันเจ็บมันปวดมันเออสุดๆๆๆอะไรบรรยายภาษาไม่ถูกอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่หรือว่าทางจิตใจก็เหมือนกันถูกเขาด่าเขาว่าความไม่พอใจแบบหงุดหงิดโกรธเขาเนี่ยพวกนี้อาจารย์อาจารย์ทั้งนั้นแหละอืออาจารย์มาเหมือนกับว่ามาเป็นคู่ มาเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าทําให้เกิดสติเนาะทาให้เกิดปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งพวกเนี้ยสติปัญญามันก็มันก็ไม่เข้มแข็งเออมันก็อ่อนแอไปเพราะฉะนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในกายในใจอ่ะให้เรามองเบื้องต้นให้มองเป็นง่ายบวกไปก่อนแง่บวกเขาเรียกว่าแค่มองบวกนี่มันก็จิตใจเราก็ไม่ทุกอยู่แล้วมันทุกน้อยแต่ถ้ามองง่าลบมันโผล่ตรงนี้ยิ่งทุกมากแต่ตอนนี้ยเรา ถ้าถือว่าเราปฏิบัติธรรมยังอาจจะเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ได้เนาะแต่ก็ให้มองเป็นแง่บวกไปก่อนมันช่วยได้เยอะแง่บวกก็มองว่าอ๋อดีเหมือนกันนะเนี่ยมันมันเกิดมาให้รู้ให้เห็นแล้วก็นี่มันเรียกว่าทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์อ๋อตอนเนี้ทุกข์กำลังโชว์กาลังแสดงให้ดูอยู่ทุกข์คืออย่างนี้ทุกข์คืออย่างนี้ <laughs> มันจะอย่างไหนเราเนาะใช่ไหม <laughs> มันก็คือทุกข <laughs> ์ <laughs> คืออย่างนี้ก็คืออย่างทุกข์คืออย่างนี้ <laughs> ก็จะรู้แจ้งเห็นแจ้งเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าทุกข์มีอยู่จริงนะเป็นทุกขศาสตร์เป็นทุกขกอริยาศาสตร์ทุกข์มีอยู่จริงโอ้มันเป็นความจริงนี่ทุกข์มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแง่บอกอย่างเนี้ยอย่างน้อยก็ใจมันก็อืไม่ค่อยทุกข์แล้วแหละเพราะว่ามันถือว่ามันมองเป็นแบบในทางกุศลเนาะโดยเฉพาะเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยมีแต่ก็มองแง่ลบอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายเขาก็าทุกข์เอง แต่ท่านักปฏิบัติธรรมบางทีถ้าเออมีความรู้สึกตัวเนาะแล้วลึกได้ก็จะมองแง่บวกเป็นแล้วก็กําลังเรียนรู้ความจริงมันมันก็ทุกน้อยลงแต่ถ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมันไม่ทุกใจนะแต่ทุกกายเนะี่ยมันมีอยู่อะ่ะมัน ม, มีก็เป็นเรื่องที่ต่างคนก็ต้องศึกษาเอาเองเนาะอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเพียงแต่แต่ผู้บอกผู้บอกให้บอกทางนะ อ, อบอกทางเพื่ อ, อะจะให้รู้ทุกและก็ออกจากทุก มกีคือเป็นเรื่องโอดกันเพื่อให้พอเป็นเข้าใจแนวแนวทางทีนี้เเดี๋ยวมาเจาะลึกของนักปฏิบัติแล้วจะเอาไงดีเอาที่หลวงพ่อเคยงโงโ่ๆงมาก่อนะแล้วก็มาบอกกันแล้วก็ว่าเออเปลี่ยนโง่ให้มันฉลาดหน่อยมันเป็นยังไงนะตอนนี้เรามองโดยภาพรวมนะแม้กระทั่งนักปฏิบัติเวลาจะไปเข้าวัดไปฟังธรรมไปฟังหลักการปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อความสุขความพ้นทุกข์นี่แหละ มันก็คือร้อยเปอร์เซ็นแหละคือตัวเราเราอ่ะไปไปวัดเราไปสํานักปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยมันมีความเป็นอัตตามีความเป็นตัวเราแต่ว่าถ้าเข้าใจถูกตั้งแต่ต้นนะก็จะรู้ว่าอ๋อไอที่ไปเนะ่ะไอที่ไปอ่ะไปโน่นไปนี่เนาะมันคือสังขารทั้งพวงทั้งยวงเลยสังขารทั้งยวงเลยนะแล้วก็เห็นมันอยู่รู้มันอยู่ว่าเออมันเดินมันนั่งมันนอนก็คืออ๋อมันเป็นสังขาร อันเนี้ยถือว่ามีระดับปัญญาแล้วไปด้วยไม่ใช่ว่าหลงผิดว่าเราไปแต่รู้ว่าสังขารมันเคลื่อนไปพอมันเคลื่อนไปแล้วก็สังขารก็อยู่ที่นั่นพักหนึ่งพอเสร็จแล้วก็สังขารกลับบ้านกลับมาเนี่ยเพราะนั้นที่ไปที่มาที่อยู่ก็คือสังขารทั้งหมดแต่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่เป็นเราเราไปเรามาเราอยู่นี่ตรงนเนี้ยเนี้ยที่พูดอย่างนี้นี่ขั้นละเอียดแล้วนะขั้นละเอียดทำไมเรียกว่าขั้นละเอียดเพราะว่า เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยังรู้ได้ยากอยู่เพราะว่าผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับว่าใจเนี่ยมันมุ่งอยู่ว่าเออที่นี่เขาสอนอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราเราเราเร า, เร า, เรานี่แหละเราจะไปปฏิบัติตามที่เขาสอนเห็นไหมนึกออกเนาะเราคงนึกออกนะเราก็าชี้นําแบบเนี้ยเราต้องไปทางอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพอได้ยินได้ฟังยังไงเสร็จแล้วเช่นเขาพูดถึงเรื่องเ อ, อการฝึกสติเนาะ เช่นบอกว่าไปเดินนะเดี๋ยวพวกเราบางทีเขต้องใช้คําสมมตินะเออพวกเราเดี๋ยวไปเดินจงกรมตรงนั้นตรงนี้กันอ่าแล้วก็เราก็ไปเป็นเราอีกแล้วเราไปเดินแล้วพอเดินไปเดินมา <c oughs> เขาบอกให้มีสตินะรู้ว่าไว้เดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้นะทีนี้เราก็เอาเอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ว่าตอนเนี้รู้นะเนี่ยว่ากายมันเดิน <c oughs> เราเป็นผู้รู้อยู่นะที น, นี้เราเรารู้ว่ากายมันเดินต่อไปกายเจ็บกายปวดกายเมื่อย อ๋อมันมีอยู่จริงแต่ก็ยังยึดอย่างเนีวแน่นว่าเรารู้ในเนี้ยเรารู้ในเนี้ยแต่ความจริงเนี่ยตรงนี้มันถูกมองข้ามไปมองข้ามว่าจริงๆไอ้ที่รู้ก็ไม่ใช่เราแต่ทำไมยังไปยึดรู้ว่าเป็นเราก็เพราะว่าสติปัญญามันยังไม่รู้รอบในกองสังขารใช่หมห้ยังไม่รู้รอบในกองสังขารเขาเรียกว่ารู้สังขารและบางส่วนแต่มีบางส่วนยังรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นขั้นละเอียด พอรู้ไม่ได้เสร็จนี่ถ้าไม่มีคนคนบอกนะก็ยังไม่รู้อีกนะว่าไอ้ที่ไปปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เราจงังที่อ่านตำราอ่านอะไรว่ารู้หมดแล้วอะไรก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่มันลืมไงมันลืม แ, แล้วก็ไปยึดถือว่าเราไปวัดไปนู่นไปนี่ไอ้ตรงนี้แหละถ้าไม่มีคนบอกบ่อยๆหรือไม่คอยระลึกรู้บ่อยๆเนี่ยความเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเนี่ยมันก็ยัง ยัง <It> s <S มีอยู่ <laughs> ทั้งๆที่ตัวตนจริงๆไม่มีแต่ด้วยความที่มันมันเคยหลงผิดมาตั้งไม่รู้กี่พ่อกี่แม่เนาะยังมีตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังหลวงพ่อวันนี้ให้พึงระลึกไว้เถอะแต่การระลึกได้มันก็อย่างว่าเนาะมันก็ต้องรู้อยู่เป็นประจำไงว่าไอ้ที่เดินปัจจุบันเนี่ยต้องรู้อยู่ว่าอ๋อที่นั่งที่นอนที่ยืนเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นเป็นสังขารที่ถูกมองเห็นถูกรู้ถูกรู้ด้วยเลยถูกรู้ด้วยธรรมชาติที่มันรู้อย่างที่เรา ฝึกซ้อมมาสองสามวันเนี่ยว่าเออหัดรู้ตัวเราเสียเพื่อให้รู้จักว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งมารู้ตัวเราแล้วตัวเราเนี่ยก็คือตัวสังขารเพราะฉะนั้นธรรมะธรรมชาตรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติแต่ตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยก็คือสังขารทั้งทั้งยวงเลยทั้งก้อนเลยเพราะนั้ น, นตรงนี้มันจะต้องไม่หลงไม่ลืม ไม่กระทั่งปัจจุบันตอนนี้ก็ยังระลึกได้อยู่ว่าอ๋อที่นั่งฟังเนี่ยฟังพระหลวงพ่อพูดเนี่ยโอ้เอ็นนี่มันก็เป็นสังขารพ่อผู้พูดเองเอ้ก็เป็นสังขารคือเหมือนกับว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องเนี้ยไม่จําเป็นแต่ไม่จําเป็นต้องท่องว่ามันคือสังขารนะเพียงแต่มันเหมือนกับว่ามันรู้จักแล้วอ่ะมันรู้จักแล้วก็รู้อยู่รู้อยู่ว่าโอ้พ่อก็เป็นสังขารตัวเราที่เรียกว่าตัวเราก็เป็นสังขารกําลังฟังอยู่นี่ก็ เป็นสังขารแล้วก็เวลาฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปอ๋อตัวคิดก็เป็นสังขารแล้วก็ฟังไปคิดไปคิดแล้วไม่เข้าใจอ๋อไอ้ความไม่เข้าใจก็เป็นสังขารฟังแล้วเข้าใจมากเลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ๋อไอ้ความเข้าใจก็เป็นสังขารทีเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเอ้ามันก็คือสังขารสลับหน้าไงเดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจหรือบางทีโอ้ยยังมึนตึ๊บเลยก็เป็นสังขาร หรือบางทีคิดจนปวดหัวเนาะหัวร้อนแล้วอา่าวไอหัวร้อนนี่ก็เป็นสังขารโยมดูนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อแค่ยกตัวอย่างว่าทั้งหมดนี่คือสังขารทั้งหมดเลยถ้าฟังมากๆาเนี่ยหลวงพ่อเห็นประโยชน์จากการฟังเนี่ยทําให้เกิดสติแล้วก็ปัญญามันเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเคยผ่านการได้ยินมาก่อนแล้วเนาะเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่ ที่มันฉุกและหกหรือว่ามันแบบฉับพันขึ้นมาเนี่ยบางทีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันจะมาเป็นตัวช่วยเหมือนกับว่ามันบอกเหมือนกับมันตัวช่วยคือทําให้เข้าใจว่าสิ่งที่กําลังเกิดเนี่ยกําลังประสบอยู่เนี่ยโอมันเป็นสังขารเออมันเป็นคือมันเข้าใจไปเลยไงเออมันเข้าใจเข้าใจตรงนี้มันจะทําให้เกิดการพัฒนาได้เร็วแต่ว่าถ้าเราไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วความรู้เบื้องอความรู้เบื้องต้นไม่มีอ่ย ควารู้เบื้องต้นไม่มีอะแล้วมันสติปัญญามันจะมาจากไหนล่ะเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าปัญญามันก็มีปัญญาสามตั้งแต่ฟังแล้วก็พิจารณาปัญญาจากการฟังแล้วก็ปัญญาจากจินตมยปัญญาคือปัญญาจากการคิดพิจารณาอะไรประมาณนี้แล้วก็ปัญญาจากการเนี่ยปฏิบัติคือเห็นรู้ทั้งเห็นทั้งรู้เลย เ, นยนเันี้อันนี้มันเป็นปัญญาจากการปฏิบัติ ตอนนั้นเนี่ยเนะถึงว่าถ้ามีเวลาก็ฟังธรรมให้มากฟังอย่างอื่นให้น้อยใช่ไหมดูหนังวังเพลงก็เออตัดๆไปมั่งอะไรเนี่ยถ้าเล่าไปนะหลวงพ่อนี่โอ้โหตั้งแต่ที่ชอบธรรมะเนาะหลวงพ่อเลิกเลยเรื่องฟังเพลงตอนขับรถหลวงพ่อไม่เคยฟังเพลงนะยัดแผ่นอย่างเดียวจบไปไหนก็เปิดกังอย่างเงี้ยคือที่มาที่ไปบางเรื่องก็คือเพราะอะไรเพราะว่ามันมันศรัทธาแลว้วไงศรัทธาในคําสอนศรัทธาที่จะศึกษา เรียนรู้เรื่องธรรมะแล้วก็เห็นว่ามันมีมันมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ซึ่งหาอะไรเทียบไม่ได้เลยเนาะจะเอาจะรวยแค่ไหนหรือว่าจะมีสุขภาพดีแค่ไหนยังไงก็ตามะมันสู้เรื่องรู้ธรรมะแล้วทนทุกข์ไม่ได้เลยก็เอาละชีวิตนี้เกิดมาเนาะสิ่งที่ดีที่สุดก็พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมอบให้แล้วก็ลองศึกษากันดูเอาจริงๆกันเอาจริงๆก็หมายถึงว่า ศึกษาเพื่อให้เข้าใจจริงๆเนาะเออประมาณเนี้แต่ว่าแต่เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรและไม่ได้เสียอะไรสักอย่างเดียวเ <c oughs> พราะมันไม่มีเรา <c oughs> ไม่มีเราจะได้ไม่มีเราจะเสียมีแต่สังขารเกิดดับเท่านั้นเองส่วนไอ้ที่ <c oughs> ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับมันก็ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไอ้ <c oughs> นั้นก็คืออยู่อย่างอิสระคือทั้งไม่ยึดทั้งไม่ถือทั้งไม่เป็นอะไรทั้งหมดเลยหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็ให้พอเห็นภาพไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ทีนี้สอนเสริมกันคุยต่อก็ได้อ๋อพอดีหลวงพ่อพี่อย่างนี้คือ คือตอนที่ฟังคลิปเสียงนะครับผมก็ก็สงสัยแต่ผมมากิงใจไม่กล้าส่งข้อความหาหลวงพ่อก็เลยส่ไปหาคุณหนุหน่ยแทนนะครับผมทีนี้ก็ก็ลงถามแล้วว่าคอนเซปต์อย่างเนี้ยคือผมอ่ะเข้าใจถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวผมเปิดข้อความแป๊บหนึ่งผมเขียนไปว่าประมาณว่า mm. ก็คือถ้าเราเห็นรูปภาพเนี่ยเราก็ให้สักแต่รู้ว่าว่าเราเห็นรูปภาพนะแล้วก็ตอนที่เห็นว่ามันเป็นกบเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันเป็นสัญญาที่มันเป็น เป็นเป็นกบพื่อำได้เป็น ก, บ, ก, นกบอะไรเงี้ยฮะให้แบบมันรู้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอคุณหนูหนุ้ยแจงตอนหลังว่าเป็นเป็นม้าอย่างเงี้ยพองงก็ก็ให้รู้ว่าตอนนั้นนขณ า, าปัจจุบันเรากําลังงงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเหมือนทวนความเข้าใจอ่ะครับหลวงพ่อครับหรือเล่าเฉยเฉย<笑><笑>เล่าเ ฉ, เ, ฉเฉยครับว่าเข้าใจแบบนี้ถูกไหยครับผมขอคําชี้แนะเพิ่ ม, เ ต, มเติมด้วยครับผมอืมเออหลวงหลวงพ่อเปรียบเทียบกับอีกอันนึงนะเพื่อเพื่อเทียบเคียงนะอื เราเคยได้ยินอในในอาจจะอ่านหนังสือหรือเคยได้ยินที่เขาพูดถึงเรื่องธงกับลมอ่ะนะธงกับลมเนี่ยคือมันมีเอในชว่าสํานักอนะสำนักสำนักเซนน่นะแหละเออที่ตรงนั้นแหละเขาจะมีคือจะมีกลุ่มบรรดาของพวกปฏิบัตินี่แหละก็จะมาชุมนุมมาฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่เนื่องจากว่าอวันนั้นคนมันเยอะคนก็ล้นศาลาหรืออะไรเนี่ยแล้วก็พวกที่มาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เห็นนะ เห็นก็คือเห็นธงเนี่ยมันปิวสะบัดอยู่เนาะก็ก็มันมีคนสองคนนี่แหละมาถกมาเถียงกันมาคุยกันว่าไอ้อีกคนนึงบอกว่าเนี่ยไอ้ธงเนี่ยมันไหวอีกคนนึงบอกว่าไม่ใช่ธงไหวหรอกมันลมลมมันพัดมันพูดถึงเรื่องลมเนาะอีกคนหนึ่งพูดถึงเรื่องธงแล้วมันก็อ้างเหตุผลกันสารพัดอ่ะนะคุยไปคุยมามันก็ความเห็นไม่ตรงกันจนกระทั่งวัลางเนี่ยซึ่งอยู่ข้างๆก็เลยมาบอกว่าไอ้ที่สองคนพูดกันน่ยมันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละ แต่ที่มันมันไหวๆน่ะคือใจอ่ะคือใจของคุณอ่ะมันไหวคือมันปรุงคิดขึ้นมาตรงเนี้เวยลางต้องการชี้ให้เห็นอะไรว่าคนเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยมักจะมองเห็นแต่ด้านนอกแต่ด้านในเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยกําลังกําลังพูดกําลังคุยหรืออาจจะกําลังมีอารมณ์มีโมโหเนาะเออเนี่ยมันอยู่ที่ที่ตัวเองแต่ไม่มีใครเห็นสักคนหนึ่งเวลางก็เลยเหมือนกับ พูดแค่นี้ยแต่พวกนี้เขามีปัญญาไง ấy, เขาก็อ๋อเลยอะอ๋อเลยอะว่าโหมาเถียงกันเกือบตายทุดท้ายเนี่ยเราคิดเอาเองเราปรุงเอาเองเอออย่างเนี้ยเขาเรียกว่ากลับมารู้ที่ตัวทีนี้<ะ>ของของของตัวอย่างของโยมหนุ่ยหนุยที่ทํามาเนี่ยก็อาจจะมันอยู่ที่มุมมองเนะว่าเราจะอธิบายเรื่องไหนใช่ไหม<ะ>ถ้าจะมาพูดแต่เรื่องกล้วยเรื่องม้าเรื่องอะไรน่ะไอ้นั้นก็จะกั่วว่าก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันโอเคแหละตามันไปมองเห็นสิ่งนั้นน่ะ แต่ว่าเรื่องของปัญญาเรื่องของความหลุดพ้นเนี่ยคือต้องเห็นตัวเองหรือต้องรู้ตัวเองตัวเองเออกลับมาที่ตัวพอเห็นตัวเองปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าใจเลยว่าก็อย่างที่หลวงพ่อคุยว่าตัวเราก็เป็นสังขารเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันไม่ได้ว่ามันรู้เรามันเห็นเราอประมาณอย่างเนี้ยทีนี้เราลองเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับอืชาวโลกทั่วไปเนี่ยคนที่เขาไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ย เขาแต่เขาจะถ้าเขาพูดเขาก็จะพูดแต่เรื่องเรื่องสิ่งที่ตามองเห็นนะอะแต่ที่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนได้พัฒนาในเรื่องของความรู้สึกตัวหรือว่าการเห็นจิตเนี่ยเขาจะรู้สองด้านก็คือสิ่งที่ถูกตาเห็นก็คือโอเคแหละอันนั้นที่เขาสมมุติว่าเรียกว่ากล้วยเนาะเรียกมา้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สามารถเห็นถึงภายในตนว่าโอในจิตในใจอะ่ะ ม, มันมีทั้งอะไรนะทั้งสัญญาเวทนาฐ <พบ S 2> างวิญญาณนะอยู่ในนั้นครบเลย <c oughs> ซึ่งเขาเรียกว่าปรุงแต่งในใจเนาะเป็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นความชอบไม่ชอบมันก็จะรวมลงอยู่ที่ใจหมดเลยแล้วอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็เห็นอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยมันปรุงอยู่ในใจอ่าเห็นไหมพอปรุงอยู่ในใจเขาจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากใจอะ่ะมันเกิดมาจากในใจหมดไม่ว่าเรา จะคิดจะทําอะไรหรือจะประดิษฐ์อะไรต่างๆเนี่ยอย่างในโลกเนี่ยที่มีการประดิษฐ์นะเช่นอ๋อสมว่าสร้างขึ้นเครื่องบินขึ้นมาเครื่องบินเนี่ยจริงๆยังไม่มีเนาะแต่ในใจอะ่ะคือมันคิดมันปรุงมันสร้างขึ้นมาแล้วให้เป็นเครื่องบินเป็นมโนก่อนตอนเป็นมโนเนี่ยโอ้โหมันสําเร็จแล้วนะมันมันสร้างมันตั้งแต่เป็นเสร็จเหล็กเป็นอะไรนะ่ะจนกระทั่งมันสร้างมาเป็นเครื่องบินที่โอ้ถ้าเป็นเครื่องบินโดยสารก็คือแบบรับพูดโดยสารได้เลยอะแต่จริงๆการกระทํายังไม่มีเลย แต่การปรุงแต่งทางจิตเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้พอเกิดการกระทําก็คือทําทางกายเนาะทางกายทางวาจาก็ไปพูดไปคุยสร้างโรงงานแล้วก็ทําทำทำทำําำกายกับวาจาเนี่ยมันช้ามากเลยอะใจนี่ยมันคิดไปสําเร็จเรียบร้อยแล้วอืทีเนี้ยคนที่ฝึกสติดูจิตดูใจเนี่ยถ้ามีสติเร็วเนี่ยมันจะเห็นขบวนการปรุงแต่งในจิต นะจิตคิดก็รู้จิตมันคือมันมันมันจะรับรู้รับทราบได้ว่าเออมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่านัแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดแตจิตเกิดแต่ใจอ ย, ย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงขั้นละเอียดนะํา ท, ที่บอกว่าเกิดจากจิตเนี่ยหรือว่าเกิดจากใจเนี่ยจริงๆอันนี้หลวงพ่อจะพูดลึกลงไปอีกว่าใจจริงๆอิงมันก็ไม่มีหรือว่าจิตแท้แท้เนี่ยใจแท้แท้จิตแท้แท้เนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นสภาพที่ไม่ปรากฏ นะไม่ปรากฏตัวจิตไม่ปรากฏตัวใจแต่ความปรุงแต่งต่างหากที่ปรุงที่มันเกิดมาจากจะเรียกว่าเกิดจากจิตนั่นแหละเพราะว่าจิตมันคือเป็นความไม่มีแล้วก็ความปรุงแต่งเป็นความมีเรียกว่าความมีเนี่ยเกิดจากความไม่มีแล้วก็ความมีเมื่อเกิดแล้วจะต้องดับไปสู่ความไม่มีเนี่ยถ้าเคยถ้าเราพวกถ้าเราพวกเราเคยมีประสบการณ์จากการได้ยินได้ฟังมันก็จะเข้าใจง่ายแต่ถ้าฟังครั้งแรก มันจะคิดไม่ออกเลยเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่เคยพบก็เลยฟังไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังอย่างนี้วันนี้ได้เรื่องฟังครั้งแรกต่อไปได้ฟังอีกแล้วก็บางครั้งบางข่าวมันเห็นขึ้นมาจริงๆเลยว่าโอ้ความโกรธอาจะสมมติหลวงพ่อยกถึงตัวอย่างความโกรธนะพราะความโกรธเนี่ยอย่างตอนนี้นะความโกรธไม่มีนะเราหลวงพ่อค่อนข้างจะเชื่อว่ายังไม่มีทะเลาะยังไม่มีเหตุก็ความโกรธไม่มี แต่ความเป็นใจอ่ะใจซึ่งมันไม่ปรากฏอ่ะนะมันมีอยู่แล้วแหละมันมีแบบไม่มีแต่พอความโกรธเกิดปั๊บเห็นไหมความโกรธผุดขึ้นมาจากความไม่มีอ่าความโกรธผุดขึ้นมาเด้งดึงเด้งดึงจากความไม่มีแล้วก็ความโกรธนี่ก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่เสร็จแล้วความโกรธก็ดับไปตรงเนี้ย ทำให้เห็นสิ่งสองสิ่งก็คือสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏเรียกว่าเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าใจก็ได้นะแต่ว่าต้องจิตแท้กับใจแท้นะ <c oughs> แล้วก็ความโกรธแต่เดิมไม่มีแล้วก็มีพอมีเสร็จแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติตรงเนี้ยหลวงพ่อจะชี้ให้เห็นว่ามันก็มีสองประเภทประเภทหนึ่งเป็นความไม่ปรากฏประเภทหนึ่งเป็นความปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไปไอ้สิ่งที่ปรากฏนี่เขาเรียกว่าสังขารนะ สิ่งที่ปรากฏความโกรดนี่แหละ เ, เขาเรียกว่าสังขารส่วนจิตหรือใจเนี่ยเป็นความไม่ปรากฏเขาเรียกว่าวิสังขาร เ, เพราะฉะนั้นสังขารกับวิสังขารมันก็อยู่ในที่เดียวกันแต่มันมีความต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสังขารอย่างความโกรธที่ยกตัวอย่างเนี่ยสิ่งเนี้จากไม่มีมันต้องถ้ามีเหตุปัจจัยให้มีมันก็ต้องมีเมื่อมีแล้วกฎของมันคือจะต้องดับไป คือเราไม่ต้องไปทำดับไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่ามันเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วว่าถ้าหมดเหตุปัจจัยมันก็ต้องดับเพราะนั้นความโกรธก็ดับแต่ความที่เป็นใจหรือว่าจิตเนี่ยเป็นความไม่มีมันจึงไม่มีการเกิดและก็ไม่มีการดับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดสิ่งดับก็มีอยู่นะธรรมชาติเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ถ้าเข้าใจอ ย, อย่างนี้เราก็จะเข้าใจเร็วมันจะเข้าใจในภาพกว้างได้เลยว่า โอทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนาะที่มันเกิดมามันก็ต้องวนๆอยู่อย่างนั้นแล้วเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ดับส่วนธรรมชาติที่ไม่เกิดเนี่ยมันไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต้องดับเป็นอนันตการไปเลยหมายความว่ามันเป็นนิรันดรไปเลยอะมันไม่เคยเกิดและไม่เคยดับยืนพื้นอย่างนี้เลยไม่มีเกิดและไม่มีดับส่วนที่เกิดที่ดับต่างหากที่เกิดเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ดับไปดับไปเนี่ยพระพุทธเจ้าไปพบ ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับอันเนี้ยที่เราสมมติเรียกก็คือใจเพราะฉะนั้นใจนี่แหละคือเป็นความที่เขาเรียกว่าพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากทุกข์แล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นนิพพานก็ได้เพราะนิพพานแปลว่าไม่ทุกข์เหมือนกันนะเนาะแต่มันอาจจะต่างกันนิดหนึ่งใจเนี่ยคือมันมีความรู้แต่นิพพานเนี่ยมันไม่มีความรู้นิพพานเนี่ยคือเป็นความไม่ทุกข์ไงเป็นความไม่มีอะไรแต่ใจอ่ะรู้ใจอ่ะรู้ได้ว่าเออไม่ทุกข์แล้ว พนทุกแล้วใจจึงถ้าพูดได้ น, นั้นก็คือใจก็อาจจะเรียกว่ารู้นิพพานอืแต่อันนั้นมันยากไปนะหมายถึงว่ามันละเอียดแล้วก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้สิ่งเกิดดับก่อนไม่ว่าจะเกิดดับในกายทำไมไม่ว่าจะเกิดดับในใจสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ใจนะไม่ว่าจะเกิดดับในกายนะไอสิ่งเกิดดับในกายมันก็มันก็ดับไอสิ่งที่เกิดมันก็ดับรวมถึงร่างกายด้วยนะร่างกายก็ดับ อาการในจิตใจก็ดับแต่ใจเนี่ยทั้งตัวเนี่ยนะทั้งตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับหมดแต่ใจหรือว่าจิตแท้เนี่ยไม่มีการเกิดดับเพราะว่ามันเป็นความไม่ปรากฏเป็นความไม่มีแต่ว่าตรงนี้จะอธิบายยังไงมันเป็นความไม่มีไงหรือมันไม่ต้องดับเออทีนี้ถ้าเราเข้าใจเห็นภาพอย่างเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือให้เห็นแจ้งให้เห็นด้วยปัญญาว่าอ๋อธรรมชาติสองประเภทเนี้ยมีอยู่จริง แล้วเมื่อเข้าถึงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วเหมือนกับว่าไม่รู้จะศึกษาอะไรแล้วศึกษาเรื่องสังขารก็รู้แจ้งแล้วอะไรเกิดขึ้นก็รู้จักแล้วว่ามันเป็นสังขารเพราะมันแยกเป็นแล้วนี่เนาะอะไรเกิดแล้วก็หมดไปอันนี้เขาเรียกว่าสังขารแต่อะไรที่ไม่เกิดไม่หมดไปแล้วมีแต่มีความรู้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิต ด, ดั้งเดิมเป็นนิพพานธาตุเออก็พบแล้วก็ ทีนี้ชีวิตที่เหลือก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ก็คือเนี้ยอยู่แบบอยู่เหมือนตาสีตาสาชาวบ้านทั่วไปเนาะแต่มันต่างเก่าก็ตรงที่ว่ามีปัญญาสามารถรู้จักสิ่งที่เกิดดับกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วก็ก็คือแค่นี้แหละ